ดวยเจ็บมาว่าโลตัวเองทาผิดพวกเคยว่าจะเพืนอจริงๆแต่ว่าขูมผิดเป็นครูแต่อย่าทําผิดพวกเรามาปฏิบัติที่นี่มีวิธีทำจังหวะแล้วก็เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาพวกมีการนิ่งการนั่งนิ่งนั้นเป็นอุปสรรควิธีที่บลวงพ่อนำมาใส่ด้วยุมุมมันเป็นอุปสรรคแก่การปฏิบัติ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 โมนอนในแท้เรารพยายามทําอยู่ตลอดเวลากลางคืนแท้นอนพอ ต, ตรงคนกันนอนถ้าบมนอนได้มันบได้ดพักผอนกลางวันโมนอนแล้วกระโบชอบคุยหลวงพ่อ เ, เคยไว้านพะพยขโมกไปปฏิบัติธรรมพร้อมกันเป็นคนชอบพอกันพอได้ถึงเวลาก็หมาอมเนะียมาคุยหลวงพ่าาหาทางนี้บมอยากพูดบมอยากคุยเพราะตัวเองมาปฏิบัติธรรม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 พิธีคนเดียวนี่เนี่ยยังโบราณผิดีเหมือนแต่ให้รู้จักให้รู้จักสิ่งที่ผิดมาแล้วต้องแก้ไขอ้าหาว่าเราโบ้แก้ไขกลบหลวงเขาแล้วก็อยู่ท่นแล้วอยู่ในทั้มันานแล้วพอเคยว่าทั้มเนี่ยมันมืดมิดมานานแต่นานแล้วร้อยกับพันกันแล้วให้บอกมื่นปีแสนปีมันก็มืดอยู่ในทั้มคนใดอยู่ทั้มก็อยู่ในทั้มโบ้มีแสงสว่างจักเพืิ่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 วิธีสงกแบบไม่รู้นี่หลวงพอ่อยี่ต่อยให้บวกเกินสามเดือนบวเกินสามสิบวันํา น, นะหลวงพ่อว่าหลวงพ่อทาได้นั่งสงบเงียบเป็นบุยญากันเข้าใจได้บุยญาแต่มันอเมีปัญญามันมาคิดเอามันเลยบุรุษผมคิดมันก็เลยพาให้เป็นงผมคิดนั่นคิดไปอันนั้นเ็ควาคิดเอาซ ส, สื้อเตียงการคาดคิดโดนเดาเอาเองนังซื้อกล้ามสูมส้บอกว่าเนี่ยยาเสือ้อถืออะไร โดยเขาเล่าลือกันมาย่าเสื้อถือโดยเขาพูดตามกันมาย่าเสื้อถือโดยหเหตุเขาทําตามกันมาย่าเสื้อถือโดยว่ามันมีอยู่ในตาําราเลยย่าเสื้อถือที่บุคคลว่าน่าเสื่อถือสิบข้ อ, ขอนบนสมุดบวให้เสื้อทั้งหมดพอจะบวชเสื้อไปทั้งหมดเสื้อที่บนไหนเสื้อที่บนมันลูที่นี่ศรัทธามันเกิดขึ้นกพมันลูที่ศรัทธาทีแรกนั่นจะต้อง ตั้งใจโบกพูดโบกคุยมีศรัทธที่แรกเรื่องให้ทานรักษาตินี้หลวงพอมีศรัทธาสถาน้ำบ้านนําเมืองเพิ่มพ่อแม่ปู่ยา่าตายายบอกกระศรัทธาโตศรัทธาหลวงพ่อจริงๆเนี่ยหลวงพ่อมาเสือสมั่นทิ่ mm. เคลื่อนไหวรู้สึกตัวนี่หลวงพอกกเกิดศรัทธานีแต่ยังไ่เห็นู้กระสางหลวงพอ่อ mm. มันเข้ากับหลักพระพจทธตร ว, ว่าให้มีสติกาหนดรู้ในอิริยาบถ ท, ทั้งสี่ยืน เดินนั่งหน่อยให้รู้เท้าทำสินนการนี้ต่อมาก็ให้รู้สึกการเคลื่อนไหวเนอะไรแบบทยดย้อยผู้เยียดเคลื่อนไหวโดยวิธีใดก็ให้รู้เราก็ต้องเพยายามทํำตามนั้นเมื่อทําตามนั้นเน้่มันเป็นอย่างมันก็รู้แท้เพราะของจริงมันมีอยู่ในเฮานี่เด้แ ย, ยาไปปกปิดของจริงเอาให้เปิดเผยของจริงออกมาเพราะว่าเปิดเผยโบเมนจีอเอามือไปจับโบเม่ไปเปิดเผย อ, อ, อย่าง น, นเปิดเผยก็หม่อมเสื่งเฮา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 รู้จักเพราะว่าวาให้ฟังคุกมือด้ตอนเช้าตอนเย็นหลวงพ่อว่าเดี๋ยวนี้หลวงพ่อโบคยได้มาว่าพหลวงพ่อก็มีธุระหลวงพ่อจีวตอนทาวัดเ้าว่าเ็นว่นมีเรื่องหลวงพ่อโบคยมาหลวงพ่อก็ทำมีธุระนอนธุระหลวงพ่อต้องนอนโอหลวงพ่อทีมากราบเาไว้น้ำมูลนั้นมันลาบากจีวือโอกาสเวลาไว้เมื่อคืนนี้หลวงพ่อก็ไปเมืองเลย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 ตัวเฮามันมีอันใดตั้ง่รู้จักมันหมึดอันใดรู้จักความมดนั่นก็นหมายถึงบ่มีมันมันลุลวงไปทั้งมดึดมันลุ่วงไปเอินเอิว่าก็นิพพัฒนาเกิดขึ้นญาณนิพพัฒนาญาณสิบหกจะมีญาณหกญาณอันใดเพิ่นว่ า, วปปาอัออาน น, อ น, น, อ น, น, อนั้นก็ทุ่มตำราญาณนิพพัฒนาจริ ง, รงๆนั่นหนึ่งลูกลกหนาสองลูกอคิตลูกอคิดนล้วก็เลยเลิกลา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 รูป ก, กะรวมเวทนากะรวมสัญญากะรวมสังขารกะรวมวิญญากรรวมรวมตัวงเขา้ากันหมดกับทีน่นี้เรียกว่าอาการเกิดดับเกิดขึ่นที่นี้ถ้าอันนี้ยังว่ปรากฏด้ดวยอย่างบุรู้แต่นนรู้บนหลังรู้คนสงบสงบรู้ว่าทาดีทำตัวด้แก่รลวงพ่ยงบุรู้ที่ถูกองครอยู่้เมื่อหลวงพ่อมาเป็นที่เรื่องหลวงพรู้ที่ถูกเป็นทระอยู่ใตก้นที่รู้นั่นคือมัน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 แล้วมันนี่ตำราเขามายกไว้ในอัญตนะสิทธสองตัวตาหูจมูกเลี้ยงกายใจภายนอกภายในตัว่าอัญตนาภายในหกภายนอกหกเขาเป้นอัญตนะสิทสองตัวเห็นแล้วก็อยากไปรู้ว่าเห็นว่าดีชั่วหูวฟังอยากจะไปรู้ว่าหูนึกฟังม้วนเพาะม้วนเสื่อมันยังเจียวมันยังบุญได้ทํำลายพอดีมูลกขาทำกมูลเข้าไปเ น, นแน่นเข้าไปกับบ่มีมูลกับจักเถื่อ